วันนี้วันพระเป็นชิ้นแรกของปีเราจะยินสวัสดีปี่ม่เจอจ้าเป็นหน้ากันสดดวั ส, ด, ด, ส ด, ดีที่มาแล้ปีเกา่าไม่สวัสดีก็เลยในสวัสดีปีเก่าบอกว่าอะไรก็ว่า เราตายมาแล้วก็คือเราตอนแรกตายเอาเลยเวลาหลับตอนเราเอาตอนเราก็จะเอาของพอได้มีสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีก็เข้าม า, า, มาถ้าเราเข้ามาสําหรับคนทีเข้ามาใหม่ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือเรียนี้นนไหว้พระเองเป็นแล้วสมาทานเซ็นเองเป็นแล้วเมื่อก่อ น, นลองรอหลวงพ่อให้เซ้นก่อนแต่ตอนลองให้ฝึกให้พวกเราลองไม่ต้องพอกกับพระลองสมาทานเอง มันก็จะแปลกๆพอเราไปในงานเราก็ต้องไหวพระธรรมดาเิ็นแล้วเราก็ชินกับการขอที่เราก็มารู้ตัวนักด้วกานเพื่อรางอจับระพอจับจิ้ีดีๆแต่ว่าถ้าคือกันขอตอนน้เส้นนีกมันกันไม่ได้เอาเส้นขอถ้าต่าขอคือลองขอด้วยตัวเองมันก็ทำได้แต่ว่าตอนนี้ไหว้พระ ก็ทำเองได้สมาท า, านสิ่งทำได้หรือก็เดียวตรงนที่พยายามนี่คือภาวนาทำอยังไรโดยที่ภาวนาเพื่อเองนะเพราะายังพึ่งพาประจัจภายนอกจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นความ้าใจเราเรฝังใจไว้ วัตธรรมะมันก็เลยไม่เกิดพอทําเห็นทำาม่อยู่ในวัดทำไม่เจอคุณภาพการไม่ได้อ่านฟังวัตธรรมะมันก็ไม่เกิดคิดไปต้องต่อวัดปฏิบัติธรรมธ ร, รมะที่จะเกิดจริงๆแล้วถ้าเราใช้ปัญญาเยอะกว่า น, นี้ซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วะไม่มีใครไม่มีปัญญา เพียงแต่ในวันนี้เราใช้สัญญามากกว่าปัญญาแล้วเราก็เข้าใจว่าสัญญานะคือปัญญาเป็นวิชาอย่างนึงเป็นเหตุเปยนผลอย่า ง, อ, างอ่านเยอะเรียนเยอะรู้เยอะจบเยอะแต่เป็นคนหัวดีสมองดีนี่คือสัญญาดีแต่ไมนได้แปลว่าปัญญาดี เีรูความแตกต่างเรามาดูว่าระหว่งสัญญากับปัญญามันมันห่างกันกันกบฟ้ากับดินขนาดไหนตัอย่างง่ายๆหลพ่อไปดูไปไปปกปละกลับไปทีเขาไปถามตอาทีเดนกันขังแดดเริ่มต้นใหม่ตือเมื่อพวกเราถือโชคดี พูดแล้วก็เข้าใจบังทีแต่ว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่เีนเรื่องที่โด น, นคำถามแรกก็คือสมถะวิบัตสนาต่างกันอย่างไรอะไรคือสมถะอะไรคือวิบัตสนาปัญหาความหมายความคืออะไรก็อยู่ในหลักการวิธีการ ไปดำเนินการปฏิบัติโดยเรียผู้นำส่วนผู้แนะมีเยอะเยอะมากผู้นำมีน้อยและความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมในบ้านเมืองก็จริงใช้ตำแหน่งเนี้ยในการนำคนเป็นสัญลักษณ์ว่ามีคือผู้นำ เขาจงเลวันนายกนายกแปลว่าผู้นำรัฐะนั่นก็คือรัฐมนตรีที่เร็กษานนำของคิดตัวอย่างแล้วก็มีคนเดียวนายกมีหลายคนที่เดียวไม่ได้คือผู้นำทีนี้ดูผู้นำยางไง นี่เป็นกรณีสายปิตุยานใช้ได้หมดไม่แต่วัดว่าอารามวัสงค์ในครูอาจารย์ก็เหมือนกันหลักการเดีย ว, ยวกันเป็นเรายวิชาการก่อนแล้วนะนำบนพระแม่ครูอาจารย์เราเนี่ยค็นแรกแล้วก็ น, นำทีนี้ถ้ามีนัอยู่ยวนนๆๆนนนันแล้วคก็กำหนดในวันทีนี้ยึดเอกสารที่อะไรก็แล้วแต่ แล้วทำตามไม่ได้คือไม่ใครเดินตามคุณอย่างเงี้ยสมมุตินายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือสิบกระทรวงไม่มีกระทรวงไหนที่ทําตามเลยมันก็เหมือนนายกท่านเดินคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครตามถ้าจะเรียกท่า น, นเป็นผู้นำได้ไหมท่านเดินคนเดียว ไม่มีใครเดินตามคือไมคยปฏิบาตาัติตามพอแม่ครูอาจารย์เหมือนกันแนะนำก็แล้วนาก็แล้วทําให้ดูก็แล้วแต่พวกเราไม่ตามจะเรียกว่าเป็นพนติกที่ดีพนระ เ, เจ้าเรื่องเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดเป็นทั้งผู้แนะนำเป็นทั้งผู้นำที่ทําให้ดูสาธก็ได้ดีแล้วผู้ตาม ไม่เดินตามคือไม่ปฏิบัติตามปฏิปทาที่พุทธองวางไว้ต่อให้พุทธยาเป็นร้อยเป็นพันองค์ก็ไม่มีประโยชน์นั้นประเด็นสำคัญของเราคือปัญญาพูดถึงปัญญาเราก็ต้องนึกถึงผลพเพราะปัญญากันผลไปผิดแล้วก็สร้างเหตุเพื่อห้เกิดผล เรื่องนี้ถ้าจะคุยกันง่ายๆอธิบายกันให้เข้าใจในเยอะเวลานาทีสองนาทีระหว่างสัญญากับปัญญาคือรูปธรรมกับนามธรรมเหมือนวันนี้เราเห็นผลส้มเออยอะแยะมากมายเป็นหน้าสมสมรูอผลมันเป็นผลเร็วผ ล, ลไม้ผลข อ, ของต้นไม้ แปลว่าอะไรแปลว่าจะออกมาเป็นส้มเราจะต้องทําอะไรก่อส่วรรำลึกให้คิดก็ อ, อยากกินก็นไปตลาดจบแล้วถ้าจะมองเป็นเป็นธรรมะก็คือต้องถามว่าเราเคยปลูกไหมเคยปลูกผลไม้สักต้นในชีวิตต้นแะไรก็ได้แล้วเราก็เห็นพัฒนาการของมัน รวมต้นจากมเมล็ดมเมล็ดเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแค่ลงดินแล้วก็เดินหนีมันต้องเอาใจใส่ดูแลรดน้ำวนดินใส่ปุ๋ยมันก็ว่ากัแต่ตัว้น ม, ะ ม, ะมะันไม่ใช่วันสองวันกว่าจะออกมาเป็นมเมล็ดตอะพันตึงการไร้เลยๆแผลก็ต้องดูแลตลอด เป็นมันโตแรกๆยังไม่รู้จร <árias> ิงาริงปะพอมันโตขึ้นโตขึ้นแรงๆแรงๆจรงต้องดูแลตลอดบังคับมันได้ไหมไม่ได้มันก็ค่อยเจริญเติบโตโดยเพราะมีส่วนของยอดก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจากฟองที่ต่ำๆติดดินมันก็ค่อยสูงขึ้นแพงขึ้นแทงขึ้นทางนี้ เราก็ต้องออรับการบำรุงเลี้ยตลอดจนสุดท้ายสร้างลำไส้แรงๆแปลง ๆ, ๆออกมาเป็นเกง่งการสาขาใบยอดบองแงท่งยิ่งไปถึงสิ่งที่แท้สมมาทั้งหมดคือดินน้ําุ๋ยสุสดท้ายมันจึอผลดอกออกผลใช้เวลากี่ปีก็จะมาเป็นผล พอไปถอนเสร็จทุกอย่างมันก็จะแก่บปฏิมาเลสถ้าใครจะปลูกต่อหรื อ, อยังมีเชื้อมีเมล็ดอยู่หลนก็เกิดต่อแต่ที่แน่ๆกินได้แต่ว่าพอจะกินได้ออกมาเป็นผลไละมมไมื่ไดากินมันใช้เวลาหนาะการปฏิบัติธรรมของเราเช่นเดียวกันนั่นคือรูปธรรมนั่นคือสัญญาที่เป็นรูปธรรมส่วนปัญญาเรามาเทียบดูว่า ต้นไม้ต้นนี้ถ้าเป็นเรื่องของที่พิชศษตัดไปหรือใจใจกางก็คือสินสวัสดิที่ปัญญาเหมือนกันคลายกันสินทรตัวเราก็ไม่มีเลยมันก็คือน้ำดินปุ๋ยมาครับเป็นคนขึ้นมาแล้วแบบเชยเจ๋เลยไได้อะไรใส่ดูแลในชีวิตประจำวันของเราโดยต้องดูสินซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะบรุงรัก เงาปล่อยกันเองที่จะเรียนเติบโตได้เราไม่รู้นะบุญปล่อยตามธรรมชาติครับมันเหมือนคนไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องไปสอนเกิดมาแล้วไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปรู้อะไรมันก็คงเป็นต้นไม้เหมือนกันมันก็คงเป็นคนเหมือนกันแต่ความเจริญนัตติใจมันนี่โตเป็นคนเหมือนกันแต่การเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นไม่แง่ไม่เกิดปัญญาปฏิแต่สัญญาหรือจา ท้ายความจําอันนี้แหละเป็นภาระสําคัญเป็นพันธะหรือปูกมัดของพวกเราแก้ไม่ได้แก้สัญญาเที่เราจำไม่จด้แต่กลายเป็นว่ า, าสัญญาหละก็ดีนิดหนึ่งแต่ดูความปูกมัดแต่ดูความปลูกพันท้ายเกิดภาระเป็นภรุรรรษถ้าเราจิตเราพยายามจัดกา ร, ราตัวกระบวนการนี้ถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีต้นไม้ ยังไม่ทันไรเลยตายเพราะเราไม่รู้อะไรเลยตายนี่คือพื้นฐานสมาธิมันก็จะเริญ่มเตัวขึ้นตามลำดับต้องการแข่งแข่งแข่ ง, งขึง้มาจากศีลนั่นแหละเป็นตัวสง่งเสริมถ้าไม่มีศีลเป็นตัวหลน่นเป็นตัวสง่งเสริมจะเป็นต้นไม้ใบใหญ่ร่มโพลมันก็ไม่ควรจะมีแต่ที่สําคัญสําคัญที่สุดคือสุ่จริตส่วนจริตคือปัญญา ถ้าปัญญา น, นไม่แทง ข, งขทนนนึ้นไม่สูงขึ้นเหมือนต้นไม้มันแค่เป็นไม่้แวดธนานไม่สูงขึ้นไม่ได้ขึ้นจะเอาผลมาจากไหนทีจะเอาผลไม้มาจากั้นอันนี้คือภ า, รภาพรวมของเศรษฐกิจตอนที่ปัญญาซึ่งคือตัวเรานะี่ยแหละตัวเราตั้งจเจริญเตัวเ ต, วตวขึ้นมาปฏิปทาในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันไม่จเจริญมันไม่อะไรดีขึ้นให้ปุ๋ยน้ำ ก็ปลาอหานี่คินเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตสม า, มามธิมันจะเปหวังเราไปคิตถึงส่วนปัญญายิ่ห่างไกลแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะวันหนึ่งต้นไม้ต้นนี้มันจะเกิดแต่มเมล็ดละมะเมล็ดตอนนั้นหล่นมามันต้องไปเกิดอีกเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีเกิดอะไรขึ้นถ้ามเมล็ดพันธุ์ที่ดีมันก็ดีมันจะได้ไปเกิดแต่เพราะใหม่เกิดมา พัฒนาดีแต่ใดที่ยังมีเมล็ดจะมีเชื้ออยู่มันก็อยู่อยู่ตกกันไหนเกิดกนนั้นดูที่ว่าตกแล้วถ้าดินดีน้ําดีอาจจะใส่ดูแลดีเมล็ดนั้นต้นไม้นั้นก้าวต้นไม้นั้นอ๋อจะเป็นตั ว, ต ว, ตวดีถ้าไม่ตกก็ทางที่ไม่ดีก็คือไปเกิดในที่ที่ไม่ค่อยดีสูรับฟันทางบ้านทั้งเมือง บางเพลงตั้งการอันนี้ปรเกิดที่ไม่ดีแต่ถามว่ามะเร็งพานันนี้มันดีเริ่มเติบโตไหมมันจะอยู่ดีมีสุขไหมเราเป็นพี่ก้อวกลางไหมไม่มีเวลาวันวั น, วนมีแต่เรื่องเก่งค่ารันแพงเรื่องดีจะมาหากินเนี่มีโอกาสมีเวลาพู้นั้นพวกเราถือว่าอยู่ในประเทศที่โชคดีปฏิรุ่สาปประเทศทประเทศที่เหมาะสม ดินฟ้าอากาศทุกฤดูมันเมืองอื่นก็ไม่ใช่อย่างเราหนาวก็นา ว, นาว แ, ต แ, ตแต่แต่ออกทางเลยไม่ได้บ้นเมอที่มันร้อนก็ร้อนจปริวๆไหมดำเรียมเป็ฟรชอากาศอย่างเดียวเด่าตางบ้านเรามีเห็นครบทุกอย่างหรือครบทุกฤดูจึงเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดจิตที่มันเหมาะสม มันเกิดจสถานที่เหมาะสมมันเหมาะสมที่จะปฏิบัติดีฟากัานส่วนหนึน่งการสนับสนุนโดยสบายเพราะฉะนั้นอยู่ในเราเป็นสถานที่ที่เราทาอะไรก็ได้ประกอบแมาอาชีพออื่นๆสารพัดหลากหลายนึกว่าใครไปดูบ้านเมืองอื่นห้ายพืย้นที่ไม่ต้องอะไรมากแค่รับๆบ้านเรา เราคงไม่อุกมาออกมาถึงขั้นก่อเต็มตัตงค์เอาแค่ บ, บ, บ้านเราเอ่ น, นั้นบ้านเราเนีน่อยู่แต่พร้อมในทุกด้านเรื่องศาสนาอิสระไหมเรื่องความคิอิสระไหมาการเมืออิสระไหมเราถือความพร้อมที่เฉพาดนตที่พยาปลูกต้นไม้ตอนนี้ถ้าใครยังไม่เริ่มเลย้าไปซื้อแต่ตลาด เราเริ่มปลูกใหม่แล้นะแต่ใครยังรู้ว่าสินคุณค่าของสินคืออะไรตอนนี้มันแค่การเติบโตนั่นเองแล้วจะเอาอะไรไปเก็บไว้เป็นเมล็ดมเมล็ดพันธุ์แล้วเราจะเป็นพันธุ์ที่ดีได้อย่างไงถ้าเกิดมันรีบขึ้นมาทาอะไรไม่ได้ไม่เกิดได้ใหม่ีทีมันไม่ครบเกิดมาเป็นคนก็ไม่ครบมันเขาทุกเรื่องคําว่าไม่ครบในทุกเรื่อง การกายภาพเป็นเขามีตาสองกับมักเราก็มีม้าตาข้าเดียวก็มีแขนสองหรือแขนข้างเดียวก็ เ, เ, เ, ดวเดินได้เราเดินไดน้อันนี้เรามาไม่ครบก็เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีเราไปสร้างมเมล็ดพันธุ์ที่ดีถ้าละหมาครบอย่างพวกเราดเนี่ยผู้ใดแต็มปากเต้ากามเราเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วทําอะไรที่ต่อยอด ปีกแห้งยอดเหมือนต้นไม้ให้มันสูงขึ้นกว่านให้มันดีกว่านเป็นการคัดมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดนั้นแม่เมล็ดเดียวแต่ผลตัวอา่านที่สองเข้ามันคือบนต้นแม่ของอาจารย์เราเมล็ดพันธุ์ไม่กี่รคไม่กี่นามแต่สายพันธ์เป็นที่พึ่งทางที่แจกับพเราได้สมัครได้รู้ได้เห็นแล้ว การที่แจ้งเราเย็นสบายมันดี้ากันรพลัดเสี่ยงเหล่านี้มันอยู่ปัจจัยหลักตัวแปรก็คือตัวเร า, าเราไม่เริ่มต้นแต่วันนี้มันก็ยากจริงๆเราเริ่มต้นในปีใหม่ปีเก่าอันนี้คือสัญญาแต่ถ้าเป็นปัญญาเราไม่บอกอื่นปีเก่ามันก็คือปีที่มันจบไปแล้วก็คืออดีตนั่นเอง อยู่บนโดบนสดพดซ้ำอีกครังง้งหนึ่งแปรเห็นภาพส่วนใหญ่เราที่เป็นผู้เรื่องน้ำในรูปเรากม่ค่รู้ซึ่งเราเข้าใจว่ารูปนั้เราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วแต่ยังแค่รูปเนี้เรายังไม่เข้าใจเรื่องนําหนักกว่านี้รูปคือร่างกายนามคือ จ, จิตใจของพวกเราแปรเห็นความแทจริงว่ า, วารูปนา ไอ้คนปัจจุบันอันไหนมันสำคัญที่สุดถ้าเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก่อทำสิ่งที่มันง่ายๆค่ดง่ายๆเหมือนเรานับนับจริงๆเราก็เคยนับศูนย์เราไเป็นหนึ่งสองสามมันเป็นใครนับศูนน้อยคนที่นับศูนย์ศนย์หนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลนึ่งสองสามฮัลโหลพวกเป็นหนึ่งสองสามนเปครอย่านับศูย์ ถ้าเนคนเราไม่จากศูนย์ไม่จากศูนย์จายไนนมาานจะวงรลมันจะวัตถนี่แหละบนไปเรียนมาจนกลเป็นะองคกรมกรมเด็กพรเราไม่ตัดตรงถ้าตัดอะไรก็กลายเป็นเส้นตรงจิตตรงกันมาหา้กันนะมันจะวนไปเรียนมาอ่นี้แหลก็คือเราพูดถึงอดีต น, นะครปัจจุบันทางผู้ที่จะสอนอะไร ผมจะสอนให้เรายู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือเดือนนี้เรือนนี้ขณะ น, นี้และปีใหม่ลงวันปีเปี่ยวเรื่ อ, อ, องกระดาษอาีสามใบคือวันนี้สามวันกระดาษใบแรกเราเขียนไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้มันจบไปแล้วก็คือเมื่อวานก็คืออดีต เขียนดีก็เขียนแล้วไม่ดีก็เขียนแล้คือมันจบไปแล้กระดาษใบที่สอคือปัจจุบันคือตอนนี้เวลานี้เ ข, ขียนะนาดเขียนอะไรก็ได้เขียนแ ล, ล้วงลอกก็ได้เขียนให้มันดีก็ได้เขียนมันแย่ก็ได้ปัจจุบันปัจจุบันคือเรื่รองการแก้แย่ปัญหาสารพัดเหมือนชีวิตเรานี่อันนี้คือปัจจุบันอนาคตคือกระดาษเปล่า จะมีหรือเปล่าไม่รู้จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยจิตอนาคตยังแปลว่าสิ่งยังไม่เกิดขึ้นทีนี้จิตของเราไปฝากความหวังไว้กับอะไรฝากไว้กับเรื่องที่มันจบแล้วคือเมื่อวานก็ ค, คือเรื่องที่มันจบแล้วคือฝากไว้ก็เกับความฝันฝากไว้ความฝันนะฝากไว้กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคืออนาคตอนาคตไม่มีความอะไรแน่นอนเลย ก็แปลว่าเราไปฝากไว้ชีวิตทั้งชีวิตกับความไม่แน่นอนปัจจุบันคือความจริงแต่เราไม่อยู่เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมคือดึงกลับมาที่เดิมทุกครั้งที่มันเตลเิดเปิดปึงไปไหนขึ้นมารูกตัวดึงคืออะไรสติสติแชกับอะไรยืนเดินนั่งแล้วก็นอนแต่นอนมันน้อยต้อยืนยังไงเดินยังไงนั่งยัยงไ ง, ไงไให้มีสติ อะไรก็ได้พฤติการบุญทุกประมุขสมัครอาหารอยู่เหนของเนาะมันไม่เกี่ยวว่านั้นดีอนั้นชั่วมันไม่เกี่ยวกันเลยนั้นดีที่สุดเลร้วยสุดไม่มีเพราทุกอย่างมุ่งไปที่ความดีถ้าทําแล้วได้ผลทําได้ผลถ้าถูกเจริญที่ใสยังไงก็ได้เพรามเป็นความดีตรงข้ามทําแล้วมันไม่สบายมันจะอัดกัดเกินถ้าไม่ถูกเจริญไม่กันไล่เพราะมันได้แปลมันไม่ดีแต่มันก็ไม่ถูกกับ เพราะฉะนั้นอยู่ยังไงก็ได้ให้มันรู้จักว่ายืนเดินนั่งนอนแต่ที่สาคัญคือให้เห็นเป็นอะไรเป็นทุกข์เป็นคำว่าทุกข์เนี่ยถ้ายืนันไม่ขยับเลยเดือดทุกข์จะมานั่งไม่ขยับเลยเดืนทุกข์มาเดินไม่หยุดลองดูเดือทุกข์จะมาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นทุกข์ภูติเจต้องบอกว่าถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เห็นธรรมเนี่ยคือประมาณ เกเป็นทุกขะตัวนี้มันก็ไม่เห็นธรรมเขาทวารเราเห็นอะีรเป็นทุกข์ไหมน้อยเพราะนั่งนานก็เปลี่ยนอริยบทใหม่เดินนานก็เปลี่ยนเยอะหน่อยนั่งนานเปลี่ยนเยอะหม่นอนเปลี่ยนเยอะหน่อยเราเลยไม่เห็นทุกข์เาออกทันทีที่มาเก็ดทันทีที่เห็นทุกข์แล้วล่ะเราก็มาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอริยบทนี่คือตูวบังไม่ให้เราเห็นดู พยายามใช้าอายุประโยชน์นนเป็นประโยชน์คือมีสติตรงกับนนยังไงก็ได้มีสติดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมีสติซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในสามเรื่องที่ผู้ชาฝ่าไว้ในชีวิตประจำวั น, นชีวิตประจำวันที่เราต้องระวังเปอนคาว่ า, าระวังที่ผู้ชายใช้คําันนี้ระวังเพือสํารวมระวังอะไรระวังตาระังหูรองปาก นั่นคือระวังระวังที่สองคืออันนี้ปากโดยเฉพาะเลยกินระวเรื่องการกินจะไปกินมากกินโดยไม่มีสติกินสิ่งที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบไม่กินหรือว่าตามใจลองกินสิ่งที่ไม่ชอบดูบ้างมันจะเป็นยังไงวันาะฉนั้นอย่าลืมว่าเรา ที่หยิบของปากหยิบของที่ชอบเท่านั้นของที่ไม่ชอบไม่ฝืนไม่ฝืกเราเราเริ่มไม่ค่อยรู้จักว่าสิ่งที่ไม่ชอบมันคืออะไรทําไมถึงไม่ชอบมันก็อ่านเหมือนกันมันเป็นประโยชน์เหมือนกันลองทําให้สิ่งที่ชอบและไม่ชอบดูมันจะเป็นยังไงนี่คือการฝึกฝึกคืออะไรฝืนการปฏิบัติอาการฝืน คุณธรรมชาติแต่ใครไม่ฟื้นเลยจ้าแต่เป็นน้ำกระทวนทุกวันเราตามน้ำทำน้ำเป็นยังไงจิตที่มันตามน้ำมันก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำนี่คือธรรมชาติไม่มีน้ำที่จไหลให้ไปสูงมิได่จ ะ, จะไหลไปสู่ที่ต่ำเว้นไว้แต่เราไปปิดไปกั้นเอาไว้เหมือนเขื่อนเหมือนฝายน้ำก็จะ ก็มีคืองปิดกันแต่ก็มันก็จะไหลลไปเรื่อยนักกับไปทำคือฝืนคือทวนกระแสทวนน้านเป็นเรื่องที่ยากไหวทวนน้จาจะาตามน้ํานำแต่เรากําลังทํำจริงๆได้พรสิ่งจริงๆเราทำมาเยอะแล้วให้ทําสิ่งยากๆบากเราจะเรูมจากปีใหม่นี้ก็คือ เราก็ต้องปรับตัวเองใหม่คือคิดก็ต้องคิดเรื่องใหม่ปลูกถุกพูดเรื่องใหม่ทำก็ทำสิ่ใหม่สิ่งหรือว่าของใหม่ๆมันก็จะเข้ามาเองแต่ ถ, ถ้าปีใหม่แล้วอย่างคิดไม่ดีอย่างคิดเหมือนเดิมพูดไม่ดีก็พู ด, ด, ดเหมือนเดิมทําไม่ดีก็ยังทําเหมือนเดิมแล้วยกมือทุ่หัวบาสนาขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้นั้น ถ้าเราไม่ปรับไปเองแต่ถ้าเราปรับแล้วก็ต้องไปขอมันต้องไปองค์กรมันต้องไปองค์ไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกบุคคลที่ไหนก็ได้ประเด้นใหญ่ของเราปรับคือตอนนี้ยังอยู่ที่กระดาษเริ่มสองคือปรับแก้ได้ปรับได้ส่วนหน้าที่สามหรือพวกนี้มันอยู่ตรงนี้และอยู่วันจริงๆแล้วมันมีวันเดียว มันไม่ได้มีหลายวันว่าเดียวคืออะไรคือวันนี้แหละวันนี้วันนี้ถ้าไปถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็จะเป็นวันวา น, วานเป็นอดีตวันนี้ถ้าเป็นเมื่อวานก็เป็นอนาคตอนาคตของเมือ่อวานเะ็นัที่บอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าวันนี้ดีที่สุดอดีตอนาคตดีเองเพราะว่าอดีต อั น, นก็อยู่กับปัจจุบันนี้ใ น, นการปฏิบัติธรรมดีปฏิบัติที่ตรงที่สุดโตที่สุดถูกวันที่สุดถ้าเราปฏิบัติทุกวันก็คือทําทุกวันให้ดีที่สุดตัว อ, อย่างมันก็จะดีเ อ, องเดินไปตามหลวงเดิไปต่อดองไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าไว้หนังป่าพวกเราไปปลูกนะต้นต้นไม้ตน้ต น, ตนนี้ปลูกเสร็จแล้วก็ดูแลรักษาด้วยสิ แต่มันคงต้องสม่ำเสมอคือสมาธิปัญญาคือยอดมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นคือฉลาดแหลมคือแจ้งคุณจริงตามความเป็นจริงเราก็จะครบทั้งสมามอย่างที่ผู้เจ้าชี้ให้เราเดินคือศีล น, นะสมาธินะปัญญานะและเราจะเชื่อเป็นผู้ตามและะ้วอย่างนี้แต่ก็ผู้เจ้าเชื่อเป็นผู้นําที่ดีเราก็เชื่อเป็นผู้ตามที่ดีแต่ท่านแหละแล้วเราเราก็ไม่ตามเลยสักคนเลย เป็นผู้นําไม่ได้ผู้นำวันเราพ่อพูดตัวนี้พูดเจอเจอเจอเจ๋อยูแต่เราไม่ตามเลยผลวงพ่อเป็นผู้นําใครไม่ได้เพราะไม่มีใครตามเพวัะ น, นั้นผู้นําที่ดีต้องมีผู้ตามพอดีขออนุโมทนาความดีที่พวเราทั้งหลายในวันนี้ปีนี้เป็นวันที่สี่แล้วให้เราบันทึกความดีเอไว้ว่าวันนี้นั่งสื้อเรื่มนี้ สามร้อยหกจุ้าวันมันอีกแค่สามร้อยกว่าวันนะเราดูว่าอีกสามร้อยกว่าวันน่ะเราจะได้เขียนอะไรบ้างเล่มนี้มีแค่สามร้อหกจุห้าวันแต่สามรอยหกจุดาวันของที่แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้เราจะเราเขียนอะไรไปบ้างแต่ตอนเนี้ยถ้าเราจำมาเลยว่าวันนี้วันที่สี่คือหน้าที่สี่ของถือเรื่องในสามร้อยหกจุห้าวันอยู่ที่เราอีกสาม้อยกว่าวันมีเวลกแก้ตัวได้ทำตัว มันดูว่าเราเจะบันทึกอะไรไปบ้างถ้าบันทึกดีบันทึกไม่ดีบันทึอยู่ที่ตัวเรานนั้ความดีของความดีที่เราเป็นคนบันทึกตัวเองไปโทษไปแจกไปนอกไม่ได้ก็ขออนุโมทนาความดีที่พวกเราทำลายได้กระทำมาเป็นอไอ้วันนี้ขอความดีอันนี้จนถึงแก่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าปู่ยุ่นทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่ง ที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำตองเป็นในวันนี้